พระองค์เสด็จยับยั้งอยู่นคกวงไม้พระมหาโพสิ้นเจ็ดวันเจ็ดหนอัทเเมส ต, ตาเหครั้นวันคำรบเจ็ดที่แปดพระองค์เสด็จไปทรงนั่งนาภายใต้ร่มไม้อาชาปาละนิโครธก็ถึงซึ่งสภาวะเหนื่อยหน่ายมีความขนขววยอันน้อยด้วยกิริยาที่ทรงพิจารณาเห็นว่าพระสัตยธรรมลึกล้ำคำภิรภาพ และเท้าสหบดีมหาพรหมกับพรหมบริวารประมาณสิบพันลงมากราบทูลอรัธนาเพื่อจะให้ทรงแสดงธรรมพระองค์ทรงพิจารณาดูสัพท์ภเวนัยศาสตว์ตะวโลกด้วยพุทธจักสุ ญ, ญาณแล้วก็ทรงรับอาราธนาแห่งเท้าสหมบดีมหาพรหมเบื้องว่าเมื่อทรงรับอาราธนาแห่งเท้ามหาพรหมแล้วจึงทรงพระพุทธปริวิตกว่า ควรตถาคตจะตรัสเทศนาโปรดบุคคลผู้ใดก่อนบุคคลผู้ใดหนอจะตรัสรู้พระธรรมนี้ด้วยเร็วพลันตัสะเอตะทะโหสิสมเด็จพระพุทธองค์จึงทรงพุทธปรีวิตกรำพึงต่อไปเล่าว่าอาราละดาบทผู้เป็นบุตรกาลมะโคดนี้เป็นบริบูรณ์ด้วยปรีชาชเฉลียวฉลาดหลักแหลมหนักหนา อัปปราชคะะชาติโยแล้วก็มีทุลีคือราคะอันน้อยในปัญญาจักษุเป็นสภาวะได้ฟังพระธรรมเทศนาแล้วจะตรัสรู้มรรคยานผลลยานเป็นอันเร็วพลันควรตถาคตจะตรัสเทศนาโปรดอาราธดาบทนี้ก่อนทรงพระรำพึงชนีด้วยมิทันทรงพิจารณาอัทธโคัญญาตราเทวตา ลำดับนั้นเทพพ ย, ยดาองค์หนึ่งมีนามิได้ปรากฏเข้าไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าแล้วกราบทูลว่าพันเตพัควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระภาคอาราลาดาบทนั้นทําลายขันข่าจากชีวิตตินสีล่วงไปได้เจ็ดวันนี้แล้วสมเด็จพระพุทธองค์จึงทรงพระอาวชนาการพิจารณาก็แจ้งพระญาณว่าอาราลาดาบทกะลามโคดนั้น ถึงแก่มรณาสันสุดสิ้นชีวิตแล้วได้ขึ้นไปบังเกิดในอากินจัญญายตนะพรมจึงทรงพระปรารม์รำพึงว่าเสียดายอาลาระดาบทนักหนาถ้าว่ายับยั้งคอยท่าตถาคตอยู่อีกสักเจ็ดวันได้ฟังธรรมเทศนาแล้วก็จะได้พ้นจากสังสารทุกข์เป็นอันแท้นี่สิมากระทากาลากิริยาเสียก่อนอาลาระดาบทนี้ ชิบหายจากมรผลในครั้งนี้เมื่ออาลาระดาบดกรามโคตนี้หาไม่แล้วก็ควรตถาคตจะตรัสเทศนาโปรดอุทกกาดาบดรามบุตรนั้นเถิดและอุทกกะดาบดรามบุตรนี้เห็นควรจะตรัสรู้ธรรมวิเศษโดยเร็วพลันยิ่งนักเมื่อพระองค์ทรงพระปริวิตกชฉนี้เพราะว่ายังมีทันที่จะพิจารณา เทพพยดาองหนึ่งจึงเข้าไปกราบทูลว่าพันเตพะควาข้าแต่พระองค์ผู้ทรงสวัสดีภาคบัดนี้อุทธกาดาบทรามบุตรนั้นถึงอนิจกรรมทำลายขันเสียแต่ในปโทศกาลสมัยเพลาพลบค่ำคืนวันนี้แล้วสมเด็จพระมหากรุณาได้ทรงสดับเทพพยดากราบทูลดังนั้นทรงพระอวัชนาการไป ก็ทราบเหตุว่าอุตกาศดาบดรามบุตรนั้นทำลายขันขึ้นไปอุบัติบังเกิดในชั้นเนวาสัญญานาสัญญายตนะพรมจึงทรงพระรำพึงว่าน่าเสียดายหนอโดยอุตกาศดาบดทายับยั้งอยู่สักวันหนึ่งพอได้ฟังธรรมเทศนาก็น่าที่จะได้ตรัสรู้ธรรมวิเศษทีเดียวนี่สิมาดวนกระทากาลากิริยาเสียก่อน มหาชานิโยอุทกกาดาบทนี้มาเสื่อมชิบหายเสียจากมรรคผลสถาพรมงคลเป็นอันมากเมื่อสมเด็จพระศาสดาพิจารณาเห็นว่าดาบททั้งสองนั้นหาไม่แล้วจึงทรงพระปริวิตตกต่อไปว่าแท้จริงปัญจวคีพิขุทั้งห้านั้นมีคุณูปการแก่เราผู้ตถาคตมากยิ่งนัก รันเมื่อตถาคตยังตั้งมหาวิริยภาพกระทำทุกกรากิริยาอยู่นั้นมาปฏิบัติ บ, ตบำเรตตถาคตอยู่สิ้นการช้านานยันนูนาหังผิฉนั้นจำตถาคตจะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์พิขุทั้งห้านิกนเถิดมีคำปุจฉาว่ากัสมาเหตุไรสมเด็จพระมหากรุณาเจ้า จึงทรงพระปริวิตตกชะนี้ทำไมพระพุทธองค์เจ้าจะเลือกโปรดแต่สัตว์ที่มีคุณูปาการสัตว์มิได้มีคุณูปาการแก่พระองค์นั้นพระองค์จะไม่ตรัสเทศนาโปรดเล่าหรือประการใดจึงทรงพระปริวิตตกชะนี้วิสัชนาว่าจะเป็นดังนั้นหามิได้หากแต่ว่าน้ำพระหาฤทัยนั้นมากไปด้วยพระกตัญญู จึงทรงพระปริวิตตกชะนี้ถ้าหากว่าพระองค์จะเลือกตรัสพระสัตจธรรมเทศนาโปรดแต่สัตว์ที่มีคุณูปการแล้วก็หน้าที่พระองค์จะเสด็จไปตรัสเทศนาโปรดสมเด็จพระพุทธบิดาพุทธมารดาก่อนเหตุว่าสมเด็จพระพุทธบิดาพุทธมารดานั้นประกอบด้วยคุณูปการนั้นมากนักปัญจวคีนั้นหรือจะมีคุณูปการมากกว่าสมเด็จพระพุทธบิดาพุทธมารดา ถ้าพระองค์จะเลือกหน้าโปรดแต่บุคคลที่มีคุณแล้วและนายขมังธนูพระองคุลิมานพระเจ้าชาสตรูราชและอาลวกกายักษ์นั้นมีคุณสิ่งใดแก่พระองค์เล่าพระองค์เจ้าจึงได้ตรัสเทศนาโปรดโดยอเนกปริ ย, ยัยและเจ้าว่าสมเด็จพระมหากรุณาเจ้าเลือกตรัสพระธรรมเทศนาโปรดแต่สัตว์ผู้มีคุณนั้นว่าไม่ได้ เหตุน้ำพระไทยของพระพุทธองค์เจ้านั้นเสมอไปในสัตว์ทั้งปวงซึ่งทรงพระปริวิตกที่จะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคียิขุทั้งห้าก่อนนั้นเป็นเหตุด้วยวาสนาบารมีของปัญจวัคคียิขุทั้งห้านั้นแก่กล้าอัญญาตะโกนัญยังทะเปโตวาแต่บรรดาเวนายสัพพสัตในพุทธเขตนี้ ยกเสียแต่พระอัญญาตกนทัญญาผู้เดียวแล้วสัตว์ผู้ใดผู้หนึ่งจะมีวาสนาบารมีแก่กล้าสมควรที่จะตรัสรู้มักและผลก่อนชนทั้งปวงนั้นหามิได้และพระัญญาตกนทัญญานี้วาสนาบารมีของท่านสร้างสมมาแต่ครั้งศาสนาพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าโน้น เมื่อพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติบังเกิดในโลกนี้ครั้งนั้นพระอัญญาตะโกนธัญะเธอบังเกิดเป็นกระดุมพีมีนามบัญญัติชื่อว่ามหากาลทำนาคราวหนึ่งได้ให้ทานข้าวกล้าถึงเก้าครั้งคือให้เมื่อข้าวเป็นน้ำนมคราวหนึ่งให้เมื่อเป็นลูกหวายนั้นครั้งหนึ่งให้เมื่อเกี่ยวครั้งหนึ่งเมื่อมัดเป็นกามครั้งหนึ่ง เมื่อทำเป็นฟ้อนครั้งหนึ่งเมื่อขนเข้าลานครั้งหนึ่งเมื่อขนเข้าล้อมครั้งหนึ่งเมือ่อนวดครั้งหนึ่งเมื่อขนเข้ายุ้งครั้งหนึ่งให้ทานสิ้นก้าครั้งดังนี้แล้วจึงตั้งมูลปณิธานความปรารถนาว่าจะให้ได้สำเร็จมรรคละผลก่อนชนทั้งปวงวาสนาบารมีของท่านได้ก่อสร้างไวช้ชะนีเหตุดังนั้น ท่านจึงตรัสรู้ธรรมวิเศษก่อนชนทั้งปวงสมเด็จพระมหากรุณาเมื่อทรงพิจารณาเห็นควรดังนี้จึงทรงพระดำริว่าจะเสด็จไปเทศนาโปรดปัญจวคีพิขุทั้งห้าก่อนแล้วก็ทรงพิจารณาต่อไปว่าบัดนี้ปัญจวคีพิขุทั้งห้าอยู่ณสถานที่ใดหนอครั้นทรงพิจารณาไป ก็แจ้งด้วยจากสูทิพยานว่าปัญจวคีพิขุบัตินี้อยู่น่าราวป่าอิสิปตนะเมรุกัทายวันจึงทรงพระรำพึงพิจารณาเล่าว่าจับเดิมแต่ตถาคตได้ตรัสแก่พระปรามาพิเศษสัมโพธิยานนั้นมาขณ น, นานับได้ห้าสิบหกวันเข้านี่แล้วอย่างอีกสามวันจะครบสองเดือนเหตุว่าเดือนขาด พรุ่งนี้จะเป็นอาสาละหะจาตุทศีสิบสี่คำข้างขึ้นเดือนแปดการละครั้งนี้ก็สมควรแกตถาคตจะเสด็จไปสู่ป่าอิสิปัตนะเมรุคธายวันอันมีอยู่ในแว่นแคว้นแดนเมืองพารณสีจะได้ตรัสพระธรรมจักกับปวัตตนสูตรโปรดปัญจวคีพิขุทั้งห้าทรงพระจินตนาดังนี้แล้ว ก็ทรงบาตและจีวรเข้าสู่บริเวณเสนานิคมโคจรบินทบาทกลับจากบินทบาททรงกระทำพัตกิจสำเร็จแล้วทรงพระปรารบเพื่อจะเสด็จไปยังราว์ปาอิสิตปตนะมฤุทายวันจึงทรงพระปริวิตกว่าธรรมดาสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนนั้นย่อมเสด็จโดยอภรรวิธีทางนภากาศ แลสเสด็จลงตรัสพระสัท ธ, ธรรมเทศนาธรรมจักกับประวัตนาสูตรในป่าอิสิปตนะมรุกขายาวันตถาคตนี้สมควรจะเสด็จไปโดยนาภาลัยประเทศเหมือนสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ปางก่อนหรือประการใดครั้นพิจารณาก็เห็นอุปนิสัยแห่งอุปการชีวกจึงทรงพระปริวิตกว่าตถาคตจะสด็จไปโดยทางนาภาลายครั้งนี้ อุปการชีวกก็จะมิได้ประสบพบปาตถาคตจะขาดเสียจากประโยชน์คือพระอนาคามีมัคคยานตถาคตเสด็จบทจรไปด้วยพระบาทบัดนี้อุปการชีวกพบปาตถาคตได้สนทนากับตถาคตแล้วภายหลังก็จะเลื่อมใสโสมนัสในพระพุทธศาสนาจะออกบรรพชาในพระธรรมมวินัยของตถาคต ควรตถาคตจะเสด็จบทจรด้วยพระบาทในครั้งนี้ถึงมาดแม้นว่าจะลำบากพระกายหน่อยหนึ่งก็ทำนาเถิดเอ็นดูอุปการชีวกจะชิบหายเสียจากประโยชน์พระการหนึ่งเล่าตถาคตอุตสาหะบำเพ็ญพระบารมีมาครั้งนี้ก็เพื่อประสงค์จะให้เป็นประโยชน์แก่สัพพสัตรทรงพระเปริวิตตกชันนี้แล้ว ก็เสด็จพุทธะดำเนินตามมราคาหนทางด้วยพระบาทอันกรอบด้วยจั ก, กรลักษณะอันวิจิตไปด้วยอัฐุตราสตามงคล1 0ร้อยแปประการครั้งนั้นควรจะอาศจรย์พิศวงยิ่งนักพื้นแผ่นพัสสุทานนั้นราบรื่นเสมอดุดหน้ากลองปราศจากเปลือกตมหลักต่อเสี่ยนน้ำเอกวาตามีลมจำพวกหนึ่ง พัดเอาอยากเยื่อเชื้อฝอยไปทุ่มทิ้งเสียในประเทศอันไกลลมจำพวกหนึ่งพัดเอาทรายมาเรียรรายปลายลงไว้ในทางที่จะเสด็จไปนั้นให้ราบเสมอลมจำพวกหนึ่งออกเอาน้ําในอโนตตัสะมาประพรมพื้นปฐพีมีให้ทุลีอองผงฟุ้งขึ้นได้ลมจำพวกหนึ่งพัดเอาเกรสรดอกไม้มาเรียรรายอบรม ให้หอมฟุ้งขจรตลบกลุ้มกระทำสักการะบูชาฉับพันหน่ารังิโยวิสัตเชตวาสมเด็จพระบรมโลกกนศา ส, สดาเจ้าเปล่งออกซึ่งพระชับพิถันน้ารังสีมีพันหน้าหกประการเขียวขาวแดงเหลืององค์สะบาดเลื่อมประพัสสอนส่องสว่างกระจ่างแจ้งออกจากพระกายเป็นทองเป็นแถวช้อยขึ้นช้อยลง งามประหลาดหลากตารัสมีบางจำพวกก็เขียวขจีสีใสสดดังแก้วมรกตและดอกอัญชันและจอมเมฆและปีกแมลงผู้แมลงทับและดอกนิลุบบปีตะรังซิโยพระรัสมีที่เหลืองนั้นก็เหลืองชอบกนกันนิกาอิวะเล่ประหนึ่งว่าหรดานทองถ้ามีดังนั้นรุงเรืองดังดอกกอ น, นิกา และแผ่นทองสุวรรณธรรมชาติธรรมดาโลหิตารัสมีที่แดงนั้นเล่าก็งามพิจิตดุจแสงอาทิตย์เมื่อแรกอุทัยถ้ามิฉะนั้นงามดังผ้ารัตนกรรมพลแดงและแสงดอกกมุดโอทาตรังสิโยรัสมีที่ขาวนั้นก็ขาวบริสุทธิ์มีพันนะดุจพระจันทร์วันเพ็ญเดือนสิบสอง ถ้ามีดังนั้นดุจแผ่นเงินและดาวประกายพรึกและจุรนแห่งสังและน้ำนมโคอันขาวพิจิตมัดเชโถพระรัสมีที่เป็นหงสะบาทนั้นก็แดงอ่อนประหลาดเลประหนึ่งว่าดอกชบาและดอกเซง็งพระรัสมีที่เลื่อมประพัสสอนนั้นมีพันนดุจแก้วผลึกและแก้วไพทูลรัสมีทั้งหลาย เล่งออกจากพระกราชกายสมเด็จพระมหากรุณาแล้วก็เวียนไปทักษิณาวัดเบื้องขวาประทามประทักสินพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้านั้นก็ส่งสว่างกระจางไปในทิศานุทิศทั้งปวงอุคโคลเสนโตวิยะมีอาการอย่างประหนึ่งว่าจะมีจิตวิญญาณอุโคโศนาการร้องเปล่าให้สัตว์ทั้งปวงแจ้งว่า สมเด็จพระพุทธเจ้าได้ตรัสในโลกนี้แล้วปักขันทิงสุพระราศมีทั้งหลายนั้นแผ่ไปจับต้นไม้และกอหญ้าและดาวันในอรัญญาประเทศราวป่าประธรรมซึ่งพรึกษาชาติทั้งหลายนั้นให้วิจิตอย่างปักไว้ด้วยธงชัยและธงประดากอ น, นีพันนาหกประการตินาลาตาโอสะเถยโย ตินชาตแฝกคาและดาวันรุกขชาติทั้งหลายนั้นก็มีต้นลำกิ่งก้านกาะไปด้วยดอกใบชอบผลอันวิจิตอย่างประหนึ่งว่าประดับประดิษฐ์แล้วไปด้วยแก้วเจ็ดประการพื้นภูมิภาคนั้นงดงามเสมือหนึ่งว่าย้อมไปด้วยแก้วประพานอันหลอมคว้างมัคคัสะอุพัโตปเสสสองตราบข้างมราคานั้นอาเกียเดรดาดไปด้วยหมู่มรุกชาติทั้งหลายต่างๆ แท้จริงสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นว่าช้างและม้าโคกระทิงมาหิงสาสุกรและมังกรกวางทายเสือสีบรรดาสัตว์อันมีในภัยสนราวป่าเมื่อได้ทัศนาการเห็นพระรัศมีสีสันชวีวันแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าแล้วก็ให้พิศวงพิศวาดมิอาจที่จะนิ่งอยู่ได้เลื่อนกล่นกันมาชมสมเด็จพระพุทธเจ้าแน่นอัดคับข้างไปทั้งสองนาบข้างมราคา อาลิซิโยพระรัศมีทั้งหลายนั้นไปจับเอากายแห่งสัตว์ทั้งหลายให้มีกายนั้นงามเสมือนหนึ่งว่าประดับไว้ด้วยแก้วเจ็ดประการเปรียบปานดังว่ารูปปั้นและรูปจำหลักอันช่างคู่ฉลาดอากกระทําไว้ให้วิจิตและให้นำมาประดิษประดับไว้ในตราบสองข้างมรกาปักขันตาปักขีปเถปัจขีฆนา หมู่ปักษาชาติอันบินมาในนภาลัยอากาศนั้นแต่พอผาดเห็นพระรูปพระโฉมพระรัศมีสีสันแห่งสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าแล้วก็พิษวงหลงไหลมิอาจที่จะบินไปได้ต่างๆก็ราปีกไว้เฉยชมองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าฝ่ายว่าพระรัศมีแห่งองค์สมเด็จพระมหากรุณาที่พลุ่งขึ้นไปในอากาศนั้นก็จับเอาตัวนกฝูงนกทั้งหลายนั้น มีกายอย่างประหนึ่งว่าประดับไปด้วยแก้วเจ็บประการดูขึ้นไปประดุดหนึ่งเพดานโลกธาตุอันวิจิตไปด้วยดาวนาคและดาวทองอันนายช่างสลาดหากระทำให้วิจิตและนำขึ้นไปประดับไว้ดูขึ้นไปข้างอากาศข้างอากาศก็งามดูภูมิภาคภูมิภาคก็งามดูไปสองตราบข้างมราคานั้นก็งามประหลาดนักหนา สัพเพรุขาหมู่พฤกษชาติต้นไม้ทั้งหลายนั้นหาจิตวิญญาณมิได้อย่างประหนึ่งว่ามีจิตมีใจจะรู้จักพระเดชพระคุณสมเด็จพระมหากรุณาน้อมยอดทอดกิ่งก้านลงมากระทาสักการะบูชาสมเด็จพระพุทธองค์เจ้าด้วยดอกอันประกอบไปด้วยกลิ่นและเกสรฟุ้งขจรขจายประกอบไปด้วยเสียงสรรเสริญอยู่อื้ออึง คือเสียงแมลงคู่และแมลงพึ่งภูมิราอาจจะมาคลึงเคล้าเอาชาติเกศรเสียงหึ field, ่งหึ่งอย่างประหนึงว่าเสียงดุริยะดนตรีและเพลงขับอันพวกคนทันมาประโคมรับขับรำทาสักการะบูชาเมื่อสมเด็จพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินไปครั้งนั้นกอบด้วยพระสิริวิราชอันงามเปรียบประดุษพระยาไกรสอนศิหราชถ้ามีดังนั้น เปรียบประดุดพระยาช้างฉัตรทันตชาติตัวประเสริฐอันออกจากหมู่มหันตะโคชบริวารแล้วเที่ยวไปในฉัตทันตะวันประเทศจกกักรวตติราชาวิยะถ้ามีฉะนั้นเปรียบประดุดสมเด็จบรมจั ก, กรพัตติราทิราชเจ้าอันปราศจากพระยาทั้งร้อยเอ็ดแล้วและเสด็จแต่พระองค์เดียวถ้ามีฉะนั้นเปรียบประดุด สมเด็จอมรินทราทิราชอันปราศจากเทพบรรพสัตว์และเสด็จแต่พระองค์เดียวก็เหมือนกัน